คำว่าออกปากขอของอย่างอื่นความว่าคำว่าออกปากขอของอย่างอื่นความว่าออกปากขอสิ่งของอย่างอื่นนอกจากที่ออกปากขอไว้ก่อนนั้นต้องอบัตรทุกกฎในขณะที่ขอของนั้นเป็นนิส ก, กีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณนะหรือแก่ภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละของที่เป็นนิส ก, กีนั้นอย่างนี้